บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการปฏิบัติตามหลักที่ทรงแสดงไว้ในวิสุทธ์ทั้งเจ็ประการนั้นอันที่จริงก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักใจสิกขาหรืออริยมรรคมีองค์8ประการ เรื่องการศึกษาการปฏิบัติตามอริยมรรควีองค์8ประการนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งยืนยันแก่ท่านสุภะทะปรีภาชกบนพระแท่นที่ประนิพานโดยตอบคำถามของท่านสุภัทะปรีภาชกซึ่งกราบทูลถามเป็นใจความว่าในพระธรรมนในอื่นหรือระศาสนาอื่น มีพระริยะบุคคลระดับโสดาบันสกิทาคาอนาคาและอระหันต์หรือไม่พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งแสดงว่าในธรรมวินัยใดก็ตามที่อริยมรตมีองค์8ประการมีอยูน่นธรรมวินัยนั้นก็ย่อมมีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สคือพระริยะบุคคลทั้งสี่ประเภท และในตอนสุดท้ายได้รับสั่งยืนยันว่าสาบใดที่ยังมีการศึกษาการปฏิบัติการอบรมสั่งสอนเรื่องอริยมรรต์ทั้ง8ประการยังมีอยู่สาบนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอริยะบุคคลทั้งสประเภทแต่เนื่องจากธรรมะ เป็นนัยยะหรือเป็นประยายหนึ่งประยายหนึ่งที่ทรงแสดงคล้อยตามอัตยาศัยของบุคคลซึ่งฟังในขณะนั้นนพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงจึงมีการยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นเพอัตยาศัยของบุคคลผู้ฟังซึ่งในส่วนที่เป็นธรรมะอันจะต้องประพฤติปฏิบัติแล้ว ก็สรุปรวมลงในอริยมรรคมีองค์8ประการหรือใจสิกขาทั้งหมดอย่างในวิสุธทธิทั้ง7ประการที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นท่านแสดงว่าเปรียบเหมือนรถเจ็ดลัดที่จะส่งบุคคลต่อกันไปโดยลำดับจนถึงจุดหมายปลายทางรถแต่ละผลัดนั้นมีความสำคัญอยู่ในตัวของตัวเอง ซึ่งถ้าหากว่าวิ่งไปไม่ถึงจุดรับส่งของอีกคันหนึ่งคนผู้โดยสารนั้นก็ไม่อาจที่จะขึ้นอีกคันหนึ่งได้ดังนั้นในแง่ของการปฏิบัติแล้ววิสุธทธิทั้งเจ็ดประการจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการเลกันคือศีลวิสุทธิความบริสุทธิหมดจดแห่งศีลตามฐานะของบุคคลนั้นนั้น เป็นปัจจัยให้เกิดจิตวิสุทธ์คือสมาธิและสมาธิหรือจิตวิสุทธ์ก็เป็นปัจจัยให้เกิดความเห็นที่วิสุทธ์ได้กแก่ความเห็นนามรูปตามเป็นจริงซึ่งเป็นผลจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความเป็นจริงแห่งนามรูปนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้า ทรงบัญญัติขึ้นแต่เป็นกฎเกณฑ์เงืเง่อนไขปกติธรรมดาของโลกซึ่งทรงแสดงว่าเป็นธรรมทิติคือตั้งอยู่ตามธรรมดาของมันและเป็นธรรมนิยามคือการกำการกำหนดหมายแห่งเหตุปัจจัยอย่างนั้นคือการที่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา ไม่ว่าสังขารชนิดใดก็ตามยาละเอียดเละประนีตใก ล, กล้ๆมีในอดีตอนาคตปัจจุบันสังขารทั้งหมดนั้นก็ตกอยู่ในหลักของประจัยลักพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบนํามาเปิดเผยชี้แจงแสดงเกณโลกเท่านั้นแต่การที่บุคคลจะปรับใจของตนให้ยอมรับความจริงแห่งประจัยลักษณ์ได้ จะน้องต้องมีพื้นฐานด้านจิตใจทั้งศีลและสมาธิเพราะศีลที่บุคคลอบรมกระทำให้มากแล้วย่อมทำสมาธิให้ให้บังเกิดขึ้นสมาธิที่บุคคลอบรมกระทำให้มากให้เป็นดุจยานภานะเป็นที่อาศัยไปแล้วก็จะสร้างปัญญาคือความเห็นที่ถูกตรงให้บังเกิดขึ้นเมื่อความเห็นที่ถูกตรงบังเกิดขึ้นก็กลายเป็นทิฏฐิวิสุทธ ความเคลือบแคลงสงสัยในชีวิตทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามซึ่งมักจะเกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยบางครั้งแม้ในวงการพุทธศาสนิกชนเองก็ไม่มั่นใจในเรื่องเหล่านั้นเช่นเวลากล่าวอธิษฐานหรือเขียนหนังสือคำขวัญอะไรต่างๆประรบผู้ไวชน ส่วนมากแล้วมักจะจบลงด้วยคําว่าถ้าหากว่าชาติหน้ามีจริงขอให้พบกันเป็นญาติพี่น้องกันเป็นแม่เป็นลูกกันเป็นต้นซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในเรื่องของสังสารวัฏแต่ถ้าบุคคลได้มองเห็นความเป็นจริงแห่งสังขารตามประจวัยหลักกําหนดแยกแยะถึงเหตุถึงปัจจัยของนามรูป มองเห็นอวิชาตันหากรรมและอาหารว่าเป็นปัจจัยของรูปอวิชชาตันหากรรมและผัสสะเป็นปัจจัยของนามก็มองเห็นว่าถ้าเหตุปัจจัยเหล่านี้ยังมีอยู่ความเป็นนามเป็นรูปก็ต้องมีอยู่สากนันคล้ายๆกับพืชพันธุ์ธรรชาติทั้งหลายที่ยางเหนียวภายในพืชยังไม่แห้งไปนอยังไม่ถูกทำลาย มเมล็ดพืชนั้นเมื่อได้อุณภูมิที่เหมาะสมแกก็ต้องงอกและก็สืบพันธ์เปลี่ยนแปลงกันไปโดยลาดับหาที่สิ้นสุดไม่ได้ต่อเมื่อได้มเมล็ดพืชมเลมเล็ดใดเมล็ดหนี้ที่มียางภายในแข้งหมดแล้วหรือนอถูกทำลายไปแล้วมเมล็ดพืชนั้นก็ไม่อาจจะงอกได้อีกไม่ว่าจะได้อุณภูมิที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามกฎของสังสารวัต ของผู้เห็นด้วยปัญญาอันชอบก็จะมองเห็นในลักษณะนั้นคือมองเห็นในแง่ของเหตุปัจจัยแต่ว่าการที่พระธรรมเทศนาบางตอนที่ทรงแสดงเรื่องสังสารวัติเป็นภาษาที่เรียกว่าปุคลาทิฏฐานคือยกนิทานบุคคลขึ้นมาเป็นที่ตั้งนั้นประพื้นฐานผู้ฟังไม่ได้ปรับมาตามชั้นศีลสมาธิและปัญญาโดยลาดับ จะพูดแบบเหตุเหตุปัจจัยดังกล่าวนั้นก็เข้าใจกันไม่ได้ดังนั้นในินย ะ, ะธรรมเทศนาที่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาจึงรับสั่งแสดงอย่างนิเทศคือ ท, ที่ทรงอธิบายปุเพ น, าานิวาสานติยานก็ทรงแสดงว่าเรานั้นได้เกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นในชาตินั้นแล้วตายไปแล้วเราได้เกิดเป็นอย่างนั้น หรือบางครั้งกล่าวสรุปชาดกในเรื่อ ง, งต่างๆก็ใช้ภาษาธรรมดาาที่ผู้ฟังธรรมดาสามารถเข้าใจได้เช่นสรุปเวสันดรชาดกซึ่งทราบกันได้หลายว่าพระเวสันดรในครั้งนั้นได้เป็นราตถาคตในครั้งนี้นางมัตซีในครั้งนั้นได้เป็นราหุลมารดาในครั้งนี้ชาลีในครั้งนั้นได้เป็นราหุลในครั้งนี้ ปัญหาในครั้งนั้นได้เป็นอุบลวนาในการนี้เป็นต้นข้อนี้พึงเข้าใจวันนี้คือพูดด้วยภาษาธรรมดารรมดาสาหรับคนฟังที่ไม่มีการปรับพื้นฐานทางศีลสมาธิปัญญามาก่อนแต่ถ้าพูดกับคนที่ปรับพื้นฐานทางศีลสมาธิปัญญามาแล้วก็จะพูดกันในแง่ของเหตุปัจจัยโดยนยะดังกล่าว บางครั้งบางคราวแสดงรูปของเหตุปัจจัยที่วิจิตพิสดารออกไปอย่างเช่นทรงแสดงในรูปของปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจัการตินต้นผู้ศึกษาเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติจนขจัดความเคลือบแครงสงสัยไปได้ต่อแต่นั้นอาการของศีลก็เต็มเปี่มขึ้นสมาธิก็มั่นคงขึ้นปัญญาเปล่งประกายสูงขึ้น ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสดังที่เคยกล่าวมาแล้วว่ามีแสงสว่างมีปีติความเอิบอิ่มใจมีความสุขมีการน้อมใจเชื่อมีศรัทธามั่นคงในคุณพระตัณฑ์ไตรเป็นต้นแต่เพราะปัญญาที่บุคคลเหล่านั้นไ ด, ได้อบรมมาโดยอาศัยพื้นฐานสมาธิเป็นที่ตั้งจึงสามารถวินิจฉัยตัดสินอารมณ์เหล่านั้นได้ ก็กลายเป็นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธ์คือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องรู้ว่าอะไรเป็นทางและไม่ใช่ทางต่อแต่นั้นผู้จะผู้ปฏิบัติจะกำหนดทิศทางของตนได้ว่าอะไรคือทางที่ถูกต้องการพิจารณานามรูปโดยวิธีใดปัญญาจึงสามารถเปล่งประกายขจัดความหลงในนามในรูปออกไปได้อย่างเด็ดขาดก็พิจารณาไปโดยลาดับ เข้าไปในหลักของวิปัสนาญาณที่ได้กล่าวไปแล้วและเมื่อปฏิบัติไปแล้วท่านผู้ปฏิบัติก็จะเข้าถึงญาณทัศนวิสุทธิ์คือความรู้ความเห็นที่บริสุทธิ์นั่นเองดังนั้นวิสุทธิทั้งเจประการถ้าหากว่าสงเคราะห์เข้าในไใจศีขะคือศีลสมาธิปัญญาแล้วศีลวิสุทธิ์ก็คือศีลศีขะ จิตวิสุทธ์ความหมดจุดแทงจิตก็คือสมาธินอกจากนั้นอีกหข้อก็คือปัญญาสิกขาถ้าจะนำไปสงเคราะห์เข้าในอริยมรรคมีองค์8ประการตัวศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะและสัมมาชีวะตัวจิตวิสุทธ์คือความหมดจดแทงจิตก็คือสัมมาวายามะความพยายามชอบ สัมมาสติความระลึกชอบสมาสมาธิความตั้งใจมั่นชออีกห้าข้อคือความหมดจดแห่งทิฏฐิความเห็นความหมดจดแห่งยานเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัยความหมดจดแห่งยานเป็นเครื่องรู้ว่าอะไรทางและไม่ใช่ทางความหมดจดแห่งยานเป็นเครื่องรู้ว่าอะไรเป็นทางที่จะพึงปฏิบัติ และความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติก็คือสัมมาสังกัปปะและสา ม, มาทิฏฐินั่นเองดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อบุคคลปฏิบัติ ด, ดำเนินมาโดยลำดับเช่นนี้ผู้ศึกษาจะต้องไปพิจารณาเทียบเคียงถึงอีกฝากหนึ่งของธรรมะนั้นก็คือกิเลสกิเลสทรงเรียงเป็นรูปของโลกโกรธ แล้วเรียงใจสิขาเป็นรูปศีนสมาธิปัญญาเอาไว้ซึ่งในชั้นของการประพฤติปฏิบัติแล้วก็เป็นการประกบกันกิเลสสายโลภะที่เกิดขึ้นครอบงำ จ, จิตใจนั้นเป็นเหตุให้บุคคลประพฤติกระทำละเมิดศีลถึงดูศีลทั้งห้าข้อที่ทรงสดแสดงเอาไว้ข้อปานาธิบาตการฆ่าส่วนมากแล้วจะฆ่าด้วยความโลภ ฆ่าสัตว์ตายมากๆจะเป็นการฆ่าด้วยความโลภอธินาทานนั้นเกิดขึ้นด้วยความโลภที่แน่ชัดกามเมซุมิฉาจานก็คือความโลภที่แยกตัวออกมาเรียกว่ากามราคะอธินาทานความโกหกหลอกลวงของคนส่วนมากจะโกหกมากเพราะโลภมากกว่าเพราะโทสะสุรานั้นก็เห็นได้ชัดว่า <c oughs> เกิดขึ้นมาจากโลภะคือความโลภ <c oughs> แต่ผู้ <c oughs> ผู้ปฏิบัติพึงเข้าใจว่าทั้งโลภะและโทสะนั้นมีโมหะคือความหลงเป็นมูลยู่บุคคลไปด้วยทำอะไรไปด้วยอำนาจของความโลภก็มีโมหะแทรกอยู่ด้วยความโกรธก็มีโมหะแทรกอยู่ดังนั้นศีแลสิกขาจึงเป็นคู่ปรับของกิเลสสายโลภะเ <c oughs> มื่อบุคคลปฏิบัติไปในศีแลสิกขา ให้ศีลมีความประนีตมีความบริสุทธิ์ขึ้นกิเลสสายโลภะก็จะบรรเทาเบาบางลงไปในขณะเดียวกันสายโทสะสายโมหะก็บรรเทาไปตามแต่าคู่ปรับโดยตรงนั้นศีลสิกขาเป็นคู่ปรับกับโมกับโลภะเป็นสำคัญดังนั้นเมื่อบุคคลได้ปฏิบัติไปนในส่วนที่เป็นศีลสิกขาจนถึงเป็นศีนลวิสุทธิ์ อาการทางกายกับวาจาของบุคคลก็จะเป็นไปเพื่อความสงบระงับดับเป็นไปเวลาพูดก็จะพูดเฉพาะคำที่เป็นคําสัตย์คําจริงคําเสริมสร้างสามัคคีคาไพเราะอ่อนหวานและคําที่มีประโยชน์เวลาจะกระทาอะไรก็ทำไปด้วยเมตตาเลี้ยงชีวิตด้วยสมมาอาชีพ <c oughs> ในฐานะของสามี ก็จะมีสถาระสันโดดคือยินดีในพัญญาของตนในฐานะของพัญญาก็จะมีปฏิวัติคือจงรักภักดีในสามีของตนการดำรงชีวิตของบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าเป็นการระงับดับเปลภัยนไเป็นการปิดกั้นกระแสแห่งเปลี่ยนในปัจจุบันผลศีลจึงเป็นผลที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ ถ้าหากว่ามีการศึกษามีการสมาทานที่สืบต่อกันมาระสมควรในชั้นของจิตสิกขาเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วนอกจากกิเลสสายโลภะซึ่งสงบระงับมาก่อนแล้วจะสงบระงับเพิ่มขึ้นกิเลสสายโทสะก็จะสงบระงับไปตามผู้ปฏิบัติสามารถควบคุมความคิดของตนไว้ได้อย่างน้อยที่สุด กิเลสประเภทที่เรียกว่าเป็นนิวรธาธรรมตั้ง5ประการคือเกิดขึ้นแล้วกั้นจิตของบุคคลไว้ไม่ให้บรรลุความดีกั้นไม่ให้บุคคลสามารถทําความดีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและกั้นไม่ให้ความดีเข้าไปสู่จิตของบุคคลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่เมื่อจิตใจของบุคคลสงบเป็นสมาธิแล้วตัวสมาธินั้นเองจะทําหน้าที่กดทับกิเลสเหล่านี้เอาไว้ ประเภทที่เรียกว่าเป็นวิขมพนะวิมุตตคือจิตจะหลุดพ้นด้วยอำนาจของกิเลสโดยการกดทับไว้โดยกำลังแข่งสมาธิเพราะฉะนั้นในยามนั้นอาการสายไปของจิตคือความกำหนัดรักใครยินดีในอารมณ์ต่งตางๆที่ใจไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็จะสงบไป แต่จะมีความพอใจยินดีในส่วนที่เป็นกุศลยินดีในส่วนที่เป็นธรรมะพร้อมที่จะลิ้มรสสัมผัสรสแห่งธรรมะซึ่งเกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติอยู่ในภาวะจิตที่ปลอดนี้คือไม่มีมีความคิดสายไปด้วยอำนาจของโทสะที่ออกมาในรูปของหงุดหงิดให้พอใจกระทบกระทั่ง โกโรธอาฆาตพยาบาตก็จะสงบลงไปความซึ้งซึมหงอยเหงาเหนื่อยหน่ายซึ่งเป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่ทําให้คนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะมองคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมะเป็นคนเฉืยเป็นคนไม่คล่องแคล่วกระฉับกระเฉงซึ่งแท้ที่จริงแล้วลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะของนิวรณ์ไม่ใช่ลักษณะของธรรมะ พระทีนามิทัิวานนั้นทำให้คนเครีบเคริมหงอยเหงาเหนื่อยหน่ายคลานกายคลานใจหดหูใจเป็นต้นแต่ถ้าบุคคลมีสมาธิพลังจิตก็จะกล้ากแข่งจะปิดกั้นความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ได้ความพุ่งั่นสายไปแห่งจิตในอารมณ์ต่างๆซึ่งกำหนดทิศทางไม่ได้ก็จะสงบลงความเครียดแรงสงสัยในคุณของพระตนตรยัย ซึ่งมักจะเกิดขึ้นได้ไบ่อยๆก็จะสูงออกไปก็เป็นนั้นว่าพอถึงจุดนี้กิเลสประเภทที่เรียกว่าปริยฐธธานในกิเลสคือกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นกลุ่มร ม, มจิตใจของบุคคลก็จะสูงลงไปพอถึงชั้นของความหมดจดแห่งทิฏฐิเป็นต้นมาซึ่งสงเคราะห์ข้นในปัญญาสิกขาหรือสัง ม, มาสังกัปปะกับสมาธิจิตนั้น ปัญญาของบุคคลก็จะบังเกิดขึ้นโดยลำดับทำนอมแสงสว่างที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นเหมือนกับเราจุดเทียนขึ้นทีละดวงทีละดวงทีละดว ง, ลดวงแล้วก็ปากห่างกันออกไปแสงจากเปลวเทียนนั้นก็จะทำหน้าที่ขจัดความมืดในแต่ละจุดโดยลำดับเปยลลาดับไปเมื่อปริมาณของแสงสว่างเพิ่มขึ้นความมืดก็ค่อยๆหายไปหายไป ลักษณะของปัญญาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลก็จะมีลักษณะอย่างนั้นความคิดความเห็นของบุคคลซึ่งเคยไหลไปด้วยอำนาจของอกุศลต่างๆแต่เนื่องจากอากุศลไม่เกิดขึ้นกรุ้มหุมใจไปแล้วเพราะมีพลังแห่งสมาธิปิดกั้นเอาไว้ความนึกคิดของบุคคลก็จะออกไปในรูปที่เรียกว่าเป็นเนคขมัสังกปะ คือดำริในการที่จะถ่ายถอนกายถ่ายถอนจิตของตนออกไปจากวัตถุกรรมด้วยออกจากไปการที่จิตหมกมุ่นกังวลคิดถึงอะไรรำพันอยู่ในกิเลสในวัตถุกรรมทั้งหลายด้วยเพราะมองเห็นโทษของกิเลสกามและของวัตถุกรรมทั้งหลายมองเห็นโทษของความอาฆาตพยาบาทว่า เป็นเหมือนโรคภัยที่เกิดขึ้นเสียดแทงกายและใจของตนความดำรินึกคิดของบุคคลนั้นก็จะกรอบด้วยเมตตาในสรรพสัตว์ทั้งหลายและเวทานเวลาท่านปฏิบัติไปจนถึงบรรลุมรรคผลแล้วตัวเมตตานั้นจะเปลี่ยนเป็นกรุณาคือจะมองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายตกอยู่ในขั้วของความทุกข์ทั้งหมดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือ หรือขนสัตว์เหล่านั้นให้หลุดพ้นจากพ่วงแห่งความทุกข์้อ น, นี้จะเห็นได้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีพระหัรทั้งหลายก็ดีท่านมากด้วยกรุณาเปี่ยมล้นภายในพระทยัยและจิตใจของแต่ละท่านการทำงานช่วยเหลือแนะนำชี้แจงสั่งสอนประชาัตว์ทั้งหลายจึงทรงกระทำไปโดยไม่มีความเบื่อหน่ายท้อถอย เพราะเป็นงานที่จะต้องทำด้วยความรีบร่งด้วยความตั้งใจจริงคนเป็นนันมากกำลังตกอยู่ในพ่วงแห่งความทุกข์และความคิดของบุคคลก็จะสรุปลงชี้มองเห็นโทษของความเบียดเบียน <c oughs> การประทุษรายกันต่อแต่นั้นความคิดเหล่านี้ก็จะออกมาในรูปของเห็นแจ้งในอริยสัจ ท, ทั้งสประการ ในการประพฤติปฏิบัตินั้นไม่ว่าจะปฏิบัติมาจากจุดใดก็ตามในที่สุดจะมาลงที่องค์อริยมรรคทั้ง8ประการทั้งสิ้นแม้จะเรียกเป็นโพธิปิกโพธิปกักยธรรม3ที่เก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือสรุปรวมลงที่อริยมรรคมีองค์แปเท่านั้นและเมื่อการปฏิบัติครบสมบูรณ์ตามหลักของอริยมรรค มีองค์8ประการที่เรียกว่ามรรคสาบังคีคือปฏิบัติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเหมือนรถที่ส่งต่อเชื่อมต่อกันสามารถที่จะรับผู้โดยสารในแต่ละช่วงของตนแล้วก็เป็นปัจจัยหนุนกันโดยลำดับทั้งเจ็ัดแล้วสภาพอย่างหนึ่งที่เรียกว่าสัมมาญาณนะคือความรู้ในทางที่ชอบก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้น ซึ่งความรู้ในที่นี้ถ้ากล่าวโดยหลักอริยสัจแล้วก็คือญาณทั้งสามที่เกิดขึ้นในอริยสัจนั่นเองเมื่อความรู้ที่ชอบบังเกิดขึ้นปริมาณของความรู้ซึ่งเปรียบเป็นแสงสว่างเกี่ยวกาหรือน้อยก็ตามอย่างน้อยที่สุดก็จะขยจัดกิเลสประเภทที่เป็นสกาญายิทิฏฐิคือความเห็นเป็นเหตุทอตัวทีอตน วิจิกิชาความลังเลสงสัยและศีลรับพัะตัปรรามาคือความถือมั่นด้วยศีลด้วยวัยดด้วยข้อปฏิบัติที่เชื่อถือกันว่าขลังศักดิ์สิทธิ์ต่างๆออกไปจากจิตใจก็กลายเป็นสัมมาญาณนะคือความรู้ในทางที่ชอบจิตของบุคคลผู้ปฏิบัติก็จะเข้าถึงสัมมาวิมุตติคือหลุดพ้นในทางที่ชอบซึ่งเป็นอันแสดงให้เห็นได้ว่าอีกฝากหนึ่งนั้น ยังมีการปฏิบัติที่เริ่มมาจากมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเมื่อมีความเห็นผิดก็มีความดำริผิดเมื่อมีความดำริผิดก็มีการพูดผิดเมื่อพูดผิดก็ทำผิดเมื่อทำผิดก็เลี้ยงชีพผิดเมื่อเลี้ยงชีพผิดก็พยามผิดพยายามผิดก็ระลึกผิดระลึกผิดก็ตั้งจิตไว้ผิดตั้งจิตไว้ผิดก็เป็นความรู้ผิดเมื่อรู้ผิดก็หลุดค้นผิดจึงมีทางอยู่สองสายด้วยกัน ดันั้นปัญญาจึงต้องเป็นประชีพสำหรับสองทางในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลและมีปริมาณของปัญญาสูงส่งมากพอเพราะในจุดบางจุดของการปฏิบัติแม้สิ่งนั้นจะเป็นกุศลในธรคือประเภทที่เรียกว่าวิปัสสนูปกเณสดังที่กล่าวมาแล้วถ้าหากว่าปริมาณของปัญญาไม่มากพอแล้ว บุคคลก็จะหลงเพลินนั่งรับลมอยู่ริมต้นไม้เท่านั้นเองไม่ได้ขึ้นสู่ปราศาสตร์คือปัญญาที่จะรู้แจ้งซึ่งอริยสัจทั้งสีประการได้การปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาปัจจัยที่มีความสำคัญไม่ว่าในชั้นของสีหรือสมาธิปัญญาก็ตามจึงมักทรงแสดงไว้เป็นสามข้อเสมอไป คือเรื่องของความเพียรที่สืบต่อกันไปไม่ทอดทิ้งในระหว่างมีสัมใบาชาณะคือความรู้ทั่วพร้อมอันได้แก่ตัวปัญญานั่นเองและสติจะต้องเป็นหลักคุ้มครองใจของบุคคลอยู่ตลอดเวลาเมื่อปฏิบัติได้โดยยันนี้แล้วไม่ว่าจะเริ่มที่วิสุทธิเจหรือจะเริ่มที่อะไรก็ตาม บุคคลจะมีจุดหมายปลายทางมาพบกันถ้าหากว่าจุดเริ่มต้นนั้นเป็นการเริ่มต้นด้วยสมาทิฏฐิตามหลักที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้การปฏิบัติธรรมะตามที่ทรงประกาศสั่งสอนไว้ในชั้นของสามัญธรรมดาทั่วไปผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้ว่า ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกจนกลายเป็นภาวะสร้างความสับสนจุลมุนวุ่นวายให้บังเกิดขึ้นนั้นแท้จริงแล้วเกิดขึ้นจากแรงกระตุ้นของกิเลสทั้งสามกองดังที่กล่าวแล้วปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศเกิดขึ้นจากแรงกระตุ้นของราคะปัญหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเกิดขึ้นจากแรงกระตุ้นของโลภะ ปัญหาที่เกี่ยวกับการแย่งชิงอำนาจการต่อสู้การบริหารเกิดขึ้นมาจากโทสะปัญหาที่เกี่ยวกับความไม่เข้าใจในเหตุในผลต่างๆตลอดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิจิตศินป์ต่างๆเป็นต้นก็อาศัยเรื่องของโมหนะนั้นเมื่อบุคคลได้ศึกษาและปฏิบัติจนสามารถขยจัดกิเลสเหล่านั้นให้เจือจางลงไปจาก จ, จิตใจ ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นแก่ตนก็จะน้อยลงโดยลำดับและเมื่อเดินไปถึงจุดหมายปลายทางในพรรัที่7แห่งรถบุคคลก็จะเข้าถึงความรู้ที่ถูกต้องจิตก็จะหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับการหลุดพ้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าและประหานทั้งหลายซึ่งผลจากการปฏิบัตินี้ได้รับสั่งยืนยันไว้ ดังกล่าวแล้วในตอนต้นต่อแต่นี้ไปขาให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่ อ, ตอม